สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสี่สิบเอ็ดเรื่องความสว่างพระเจนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่แปดข้อที่สิบสองจนถึงข้อที่สามสิบนะครับพระธรรมยอห์นบทที่แปดข้อสิบสองจนถึงข้อที่สามสิบโปรดฟังพระเจะนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินอยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพวกฟารีสีจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเองคําพยานของท่านไม่เป็นความจริงพระเยซูตรัสตอบว่าแม้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคําพยานของเราก็เป็นความจริงเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหน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 คำพยานของสองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้เราเป็นพยานให้แก่ตัวเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานะก็เป็นพยานให้แก่เราด้วยเหตุฉะนั้นเขาจึงทูลโรงว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าตัวเราก็ดีพระบิดาของเราก็ดีท่านทั้งหลายไม่รู้จักถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเรา ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยทำตรัสนี้ที่คลังเงินเมื่อกำลังสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารแต่ไม่มีผู้ใดจับกลุมพระองค์เพราะว่ายังไม่ถึงกาหนดเวลาของพระองค์ข้อยี่สิบเอ็ดพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าเราจะจากไปและท่านหลายจะแสวงหาเราและจะตายเพราะบาปของท่าน ที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายไปไม่ได้พวกย Nig ิวจึงพูดกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหร <arna> ือเพราะเขาพูดว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่าน we lost, ทั้งหลายจะไปไม่ได้พระองค์ตัดกับเขาอีกว่าท่านทั้งหลายเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะตายเพราะบาปของท่านเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านจะต้องตายในการบาปของตัวเขาถามพระองค์ว่าท่านคือใครเล่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกแล้วเราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่านแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงเป็นสัตว์จริงและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพระองค์ตรัสกับเขาถึงเรื่องพระบิดา พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตยอยู่กับเราและพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลาพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ เมื่อพระเยซูตรัส ด, ดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในพระองค์พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกครับเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในข้อที่สิบสองเราจะกลับดูกลับมาดูเทศกาลอยู่เพลิงนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เป็นบริบทเบื้องหลังของพระคัมภีตอนนี้สิ่งที่สำคัญซึ่งเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของเทศกาลอยู่เพลิง คือการจุดดวงปฏีบหรือดวงไฟนะครับในลานของพวกผู้หญิงพี่น้องครับพระวิหารนั้นแบ่งเป็นหลายเซกชันหรือหลายภาคส่วนนะครับส่วนที่เป็นบริเวณของผู้หญิงส่วนที่เป็นบริเวณของผู้ชายเท่านั้นและส่วนที่เป็นบริเวณของพวกปุโรหิตและมหาปุโรหิตในเทศกาลอยู่เพิงนั้น จะมีการจุดดวงมระทีปใหญ่ในลานของพวกผู้หญิงอนุญาตให้พวกผู้หญิงเข้ามาในบริเวณนี้เท่านั้นภายในพวิหารนี้ตะเกียงทองคำเหล่านี้ส่องสวรค์ทั่วลานพาวิหารเมื่อจุดประทีปนี้หรือจุดตะเกียงนี้ประชาชนก็จะมาชุมนุมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและไร้รำเฉลิมฉลองแสงสว่างจากประทีปนี้เองนะครับเป็นเครื่องเตือนใจ ประชาชนชาวยิทวทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าแสงนี้ไม่ดับครับเตือนให้ประชาชนชาวยิวลาลึกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับชนชาติของเขาในถิ่นธุรกันดาลในอดีตในรูปของเสาเมฆในเวลากลางวันและเป็นเสาไฟในเวลากลางคืน เรื่องราวนี้บันทึกอยู่ในประธรรมกัณฑานวิถีบทที่เก้านะครับพี่น้องลองกลับไปแล้วก็ดูครับพลิกกลับไปดูครับกันดานวิถีบทที่เกก็จะเห็นว่าการทรงนำและการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่กับชนชาติอิสราเอลนั้นก็จะเป็นรูปของเสาเมฆและเสาไฟเสาเมฆนี้อยู่ในเวลากลางวันและเสาไฟอยู่ในเวลากลางคืนแต่เมื่อพระเยซูทรงสอนในคลังพระวิหารซึ่งอยู่ เพิ่งตั้งอยู่ในลานของพวกผู้หญิงรอบๆลานนี้ก็จะเป็นระเบียงครับพี่น้องลองวาดภาพในสมองนะครับเปียซูทรงศในครั้งพรวิหารเพิ่งตั้งอยู่ในลานของผู้หญิงรอบๆลานนี้เป็นระเบียงและที่ติดกับผนังมีหีบทวายสิบสามหีบนะครับหีบทวายถึงสิบสามหีบวางอยู่สิบสามจุดซึ่งประชาชนจะนาเหรียญมาหย่อน ครับเราเรียกหีบเหล่านี้ว่าแตรเพราะว่ามันเหมือนกับปากแตรครับมีรูปทรงเหมือนกับปากแตรและแต่ละหีบนั้นก็จะมีเป้าหมายเฉพาะเจอะจงเช่นเงินถวายในหีบที่ห้ามีไว้สำหรับถวายค่าฟืนบนแท่นบูชามีสองหีบสำหรับเงินบำรุงพระวิหาร พี่น้องเห็นภาพนี้ไหมครับจะมีหีบนะครับวางอยู่13หีบฉะนั้นลานสําหรับพวกผู้หญิงนั้นจึงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนผ่านไปมามากมายพวกผู้ชายนั้นก็จะผ่านลานนี้ขณะเข้าไปในลานของพวกผู้ชายเพราะฉะนั้นลานข้างนอกนะครับก็จะเป็นลานผู้หญิงลานเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ก็จะเป็นสําหรับผู้ชายเท่านั้นใครก็ตามที่ต้องการถวายบูชาก็จะต้องเดินผ่านลานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพนะครับว่าลานนี้นะครับเป็นลานที่ผู้หญิงอยู่เท่านั้นแต่ว่าผู้ชายก็จะเดินผ่านนะครับปุโรหิตก็จะเดินผ่านคนที่จะไปถวายบูชาก็ต้องเดินผ่านพี่น้องครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีลานอีกลานหนึ่งสําหรับพวกต่างชาติ ซึ่งอยู่นอกไปอีกชั้นหนึ่งครับนอกเขตของผู้หญิงนะคนที่ไม่ใช่ยิวก็เข้ามาได้แค่นั้นเองก็เป็นการเรียกว่าแบ่งครับแบ่งชั้นกันนะครับใครเป็นคนต่างชาติก็เข้ามาได้ในระดับนอกที่สุดเขาเรียกลานนอกพรวิหารคนที่เป็นผู้หญิงก็จะเข้ามาอยู่ในลานของผู้หญิง ก็จะเดินผ่านมาเป็นชั้นๆชั้น ช, น ช, นชนผู้พวกผู้ชายก็จะมีหลานของผู้ผู้ชายซึ่งอยู่ในพระวิหารแล้วพี่น้องครับสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะครับก็คือลานพระวิหารที่ซึ่งประชาชนมาชุมนุมกันและถวายเครื่องบูชานะครับรอบบริเวณทั้งหมดก็คือระเบียงที่มีหลังคาอย่าลืมนะครับว่าพระวิหารนั้นนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับกินอนาเขต ประมาณ 87.5 ไร่นะครัผมใช้เวลานานในการพูดถึงบริบทเบื้องหลังที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามานั้นจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตเป็นข้อพิอมพีที่สําคัญที่สุดครับเรามาดูนะครับความหมายแรกของคําว่าความสว่างความสว่างนั้นเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าและเป็นความบริสุทธิ์สูงสุด ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าปรากฏนะครับกับใครก็ตามพระองค์มักปรากฏในรูปของความสว่างนะครับไม่ว่าปรากฏกับอักขทูตเปาโลซึ่งสมัยก่อนชื่อเซาโลแสงสว่างทําให้เซาโลถึงกับตาบอดเลยทีเดียวครับและแม้แต่ในพระธรรมหนึ่งยอหนบทที่หนึ่งข้อที่ห้าบันทึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยในโลกปัจจุบันนี้นะครับแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงและความสะอาดบริสุทธิ์แสงสว่างเป็นสิ่งที่ยากจะอธิบายได้นะครับในทางวิทยาศาสตร์แต่เรารู้นะครับว่าในสมัยนี้ก็เริ่มอธิบายได้แล้วครับแสงสว่างเดินทางแสงนะครับเดินทางด้วยความเร็วถึงประมาณ3แสนกิโลเมตรต่อวินาทีถ้าหากสปอตจากแสงสว่างแล้วเราก็ โลกนี้คงจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เดินตามเรามานั้นจะไม่เดินในความมืดพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อนะครับว่าคําว่าเดินตามนั้นมีความหมายว่าอย่างไรแต่ในเช้าวันนี้ผมจะถามพี่น้องว่าพระเยซูทรงเป็นความสว่างแค่ไหนครับในชีวิตของเราเมื่อเราเดินตามพระเยซูเราเดินตามได้ไหมครับชัดเจนไหมครับ เราเดินตามพระเยซูแล้วเรามีความรู้สึกว่ามั่นใจไหมครับแล้วพระเยซูเป็นความสว่างมากน้อยแล้วเราตอบสนองพระองค์อย่างไรครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเพื่อที่เราจะให้พระเยซูทรงเป็นความสว่างอย่างแท้จริงอาเมน